พระพุทธเจหาหันมาอยู่สบายกิสบายอยู่สบายแล้วโอ้บโบําเพ็ญเพียนโบเทอร์มานเจ้าของระบบแ ม, มนเราผู้เหนียวใช่ไหมไปพากันหนีไปอยู่ปไปสิบประดันพระพุทธเจ้าก็อยู่ผู้เดียวจะใ ช, ช้าชีวิทัก็อยู่ผู้เดียวว่านี่พออยู่ผู้เดียวเราเลยพิจรารณาตะเก่านี้มีแต่คนหุ่มคนหอมคนรอคนถาที่ใจมันก็บรเป็นสมาธิที่ใจก็บรเปงอิสระมีแต่คนล่อว่าจะบรรูุย่มใดนะเมื่อไปเจ้าว่าขี้พื้น เป็นจเจ้าเ้ทียูผู้ดเดียวมันก็มีโอกาสได้พิาจารณาเจ้าของด้วยเหมือนบอกพิาจารณาเจ้าของโอ้กูทีมบ้านทีมเมืองทีมลูกทีมเมียทีมพ่อทีมแม่มานี่เพื่อยังหกปีที่เหตุไปแล้วเมวื่อใดยังได้บวตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าปัณณมันสามสิบห้าดาวท่าบอกว่าแม่จะได้กลับคืนบ้านคืนเมืองใช่เนาะมหาธรรมธรรมรทั้งหกปีไปแล้วความพยายามซ้ําเฮาหนี่สติปัญญาซ้ําเฮาหนี่บุ๋มีผู้ใดเกิดแล้วก็ยังบุ๋หูเนี่ย คนที่มันจะเกินไปคนนี้บมี่ปุ้นเด็กปุ้นคิดให้ใจเจ้าของพุ้นว่ามานเข่าช่วงนั้นที่พุ้นคิดแบบนี้ปุ้นมันเข่ามานถืออกาสเข่าเห็ุให้เปุ้นท่ออ่าค่อยเป็นท่อปั๊บเอ้าพ่อพุ้นลูกซึกตัวเอ้าอันนี้มันค้องขึ้นนี่นี่ตบขาไปมานปังนี่คืออะไรปังมานสะดุดุกภาพมีอยู่ปังนึงเมื่าปังมานสะดุดุกเหมือนก่นบ่เป็นปังสะดุดงกมานเด้ ฝังมันสะดุ้งพอไปรู้เท่าท่านปวดทุบขาเป็นอันนี้มันความขึ้นด้วเนี่ยมึงหลอกกูให้ยังเสีนไปออ่นหลอดความขึ้นเพิ่นก็เลยหันมาตั้งสติใหม่มาบำเพ็ญเพียรทั้งชีว์กันนะเนัวบึงกายเจ้าของโอเฮานี่ยสำคัญว่าเป็นเจ้าชายมาตลอดเป็นนักบทมาตลอดแมนที่แทร่แล้วเฮ้าบ่เม็นนักบทบ่เม็นเจ้าชายเฮาแมนยังตัวเฮ้านี่แมนยังอ่าอย่าลืมสูตร มันหลูกกับน้ํานึกว่าอยลงประเด็นนะนี่บวลงเนาะยังหอกว่าทัดแสดงว่าจื่อใดละมันหูกกับน้ําบุเมนคนนั่นบุเมนคนนี้บุเมนพระเป็นเน่นเป็เท็ดเปชีเม็นเจ้าเป็นคอยอันนั้นมันสมมุติว่ากันที่คือบุเมนของจริงนะแต่ว่าของจริงนี่มาอยู่กับพีต้นไม้กับใบไม่อันใดของจริงอันใดของบจริงอืึ ของบระจิงเนี่ยมันล่นมันล่วงเรียวปีนึงมันก็หล่นแล้วปีนี้มันก็ล่วงแล้วปีนี้ก็ไปแล้วแต่ต้นไหม่เนี่ยมันอยู่ตลอดตั้งแต่มันเกิดจนมันตายมันบอกแต่ใบไหม่มันเป็นสูปีใบไหม่ทั้งหมดเอนของบระริงของสมุติมันอยู่ได้ชั่วข้าวอยู่ได้ตามฤดูกาลแล้วมันก็ตายไปนั่นของบระจิงมันอายุสั้นๆแต่ของจริงเนี่ยมันอยู่ตลอดไปอืมลูกน้ําเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่เ้าเกิดจนตายมันบอ แต่พอ่อยัยนั่นไม่ยัยนี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้พอ่อยัยนี้มา่อบทกัว่าเป็นเป็นพระมันบอกพอซื่อเอาไปเป็นอันปกครองมู่กับว่าผู้เยบาญยันดีเอาไปปกครองคนทางอำเภอกับเป็นแหน่เพิ่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมันมันมันมนัเทียงสมุติเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามสมุติแต่พอ่อยญยนี้ก็คือของจริงแล้วก็คือลูกกับน้าแค่นั้นนี่ของจริงมันจะอยู่กับข้อเจอๆข้อเกิดหรือข้อตายแต่ของจริงมันเปลี่ยนสุวันสุเวล่าสุมือสุปีสุเดียน ใจเขาเนี่ยมันทํามันไปอยู่กับความคิดมันเปลี่ยนตลอดเวลาเปลี่ยนเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นเปลี่ยนเรื่องนั้นไปเรื่องนี้มันบ่เด่นเขาไปอยู่กับความคิดที่อยู่กับสมมุตดพอสมมุติมันกระจกอยู่ในโกตของเนี่อันนี้จังทุขังหน้าตาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ถ้าเขาไปอยู่กับความคูณซึ้งซื่อเนี่ยความรู้ซึกงซื่อเมันเกิดมาพร้อมกับเขาและมันเกิดจะตายไปมันตอนเขาตายมันก็เบื่อตายในความคุณซึ้งซื่อมันก็ถ้ามดกิเลสแล้วมันก็ไปนิพพานซะ ถ้าบทท่านมดกิเลสมันมีเสือ่อตัณหาอุปทานอยู่มันก็ไปเกิดไหมยุธิชเสร็นแหละเพราะนั่นผู้ลูกคนกนนราอยากเกิดพอไม่จะต้องไปเสวยทุกข์เสวยสุขครับโลกวัะสงสารอีกจักว่าไม่ไปพ่อพรู้ปฏธเจ้าย่ำใดจักอย่ า, า, ยาไปพ่อคำสอนผู้ทย่ย่ำใดเกิดมาศาสตร์นี้มาพ่อคำสอนของค์พจนมาพ่อโตองคน์เราจะเอายังบ่ได้แล้วเกิดชาติต่อไปเปาศาสนาอื่นบ่พ่อคำสอนผู้เจ้าไม่จะซ้าใด เขาจะสร้างทุกซําใดเขาจะสร้างวิบากกรรมซ้ำใดเขาอาจจะเป็นฆาตกรฆ่าคนหรือใดในศาตรนั้นมันบอก่าเขาอาจจะไปคมคืนช้ำเล่าฆ่าหัวฆ่าเมียคนอื่นก็ได้ชากว่าเขาไปเกิดศาตรนั้นแล้วเขาจะต้องไปสร้างกรรมสร้างเวดีซําใดล้วจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกปันใดก็จะได้พ่อพระพุทธเจ้าพอเราเกิดมาศาสตรนี้ให้มันจบศาสตรนี้มรรตวิญญาณว่ายตายเกิดอีกเขาจะจบอย่างไดเขาก็เฮ็ดจนเต่มวันนี้ไปละ แต่แรกที่สุดที่ถอนความสําคัญมันหมายในเจ้าของออกให้ได้ก่อนคือสักยญาทิธิให้เป็นสมาธิทิธิให้ได้สมาธิทิธิเพื่อนเห็นสองอย่างเห็นลูกกับน้ําสมาธิทิธิตามนิยามของเพิ่นน่ะเห็นอริสัจสีเห็นทุกเห็นสมุธัยเห็นนิโรธเห็นมักทุกกับสมุธัยเนี่เอินวนลูกนิโรธกับมักเอินว่าน้ําเห็นลูกกับเห็นน้ำกับเห็นอรียสัจสีนั่นแหะ กายเวทนาเป็นลูกชิดกระท่มารมเป็นน้ำเฮาเบิงลูกเบิงน้ำก็เป็นสติปัฏฐานสีนั่นแหละเฮาเบิงรูกเบิงน้ำก็เป็นอริยสัจสีนั่นแหละบุตรองสงสัยแต่เฮาโอลงมาให้มันง่ายถ้าไปจำหลายอย่างเนี่เฮาจำอะไรได้อะไเป็นทุกขสมุทัยนี่หลุดมากอะไดเป็นกายเวทนาชิดธรรมนี่เฮาบอกมันนักปริยัติไม่เปนบอกว่ามันชบานธรรมดาจําได้สั้นๆง่ายๆแค่นี้ให้เอาไปใส่ได ห่อแล้นะตอนนั้นเมื่อเข้ามาหู้อันทิตสองโอ้คุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีจริงเกิดจริงการตัสรนลูกของพระพุทธเจ้ามีจริงนิพพานมีจริงนรกสวรรค์มีจริงบสถสงศ์ใแล้ววันนี้แต่วันมีจริงมันอยู่ใสดด่พิสูจน์ได้บ่พิสูจน์ได้ตัวลูดตื่นเบิกบานนี่แม่นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในตัวเขามีบ่มีมีน่อยมีหลายขึ้นอยู่กับเขาให้เดา เขาอยากจะให้หลายก็ขายันให้เตามันบอกเขาคีดคานเห็ุมันก็นเกิดโน่ยบวชใจเงินจะใส่หมื่นใส่แสนใส่หาทีละหบาทสิบาทมันบอพบวชใจมันบอกก็ต้องหาหมื่นหาแสนขึ้นกันความหูตื่นเบิกบานคือกันเข้าใส่ลายเขาก็ต้องหาหลายเขาก็ต้องปฏิบัติหลายะผู้ดใดสะใส่เงินน่อยมุ่งมี่หรืมีแต่ใส่เงินลายทั้งนั้นนะมันบอกอเฮ้าประสงสัยละ่ะคุณพระพุทธประทับประสงค์มีอยู่ในเฮ้าแล้วแต่เฮาจะเห็ุให้เกิดหรือบวเกิด อต่อมาพอสงสัยเรื่องหมักผลนิพพานการเกิดการดับที่จริงถ้าเขาไปยุ่งกับการเกิดมันก็เป็นวัฏสงสารถ้าเขาไปลู่การดับมันก็เป็นหมักผลนิพพานการดับในตัวเขามีบอเขานั่งอยู่นี่มันนักมันเกิดไม่บ่กลูกขึ้นความนักยังอยู่บ่ความนักก็ดับไปถ้าความนักมันลูกขึ้นแล้วความนักมันยังบ่ดับในเกิดยังขึ้นเกิดลูกแล้เนี้ยเป็นบ่เกิดลูกแล้วลูกขึ้นแล้วยังนักคือเกานี้แสดงว่าเจ้ามีปัญหาร่างกายเนี่ย ความนักมันต้องดับไปเนี่มันมีเกิดมีดับให้เห็นตลอดเวลา <c oughs> หายใจเข้ามันเป็นเกิดถ้าบอกหายใจออกเฮาก็ดับนะมันบอกดับหรอกเฮาก็ดับเฮาก็ได้หายใจออกความพุกมันกระดับไปเป็นภาพตามันบอเห็นมันเป็นเกิดมืนตามันเห็นมันเป็นดับ <c oughs> การเกิดดับปรากดตลอดเวลาทั้งกาถึงเวทนาถึ้งจิตทังอารมณ์ที่หลวงพ่อได้กล่าวไปมือก่อนนั่นเฮามาบุงการเกิดดับ ดวงหลุเบื้องน้ำเพื่ออย่างเพื่อเห็นการเกิดดับของหลุมของน้ําแล้วเอาอาการการเกิดดับที่เขาสัมผัสได้เนี่ยหลุน้ํำบนออกไปเบื้งรายละเอียดมันหรอกใครจําได้ว่าเออเนี่ยนักเย็นรล้วนอนแข็แข่งตึงนี่เป็นหลุมห้ยซึกเคลื่อนไหวได้ไหวได้หุ้ยจักนักจักเบาหู้จักเย็นจักหอนแล้วก็เลือกได้ตามต้องการนั่นแหลเป็นน้ําจำแค่นั้นเรื่องหลุมเรื่องเรื่องรื่หลุมกับน้า แต่ในส่วนรายละเอียดของมันในะรูปน้ำนะไม่มีการเกิดการดับการเกิดไปยังไงเขานั่งไปโดนโดนความทุกข์มันเกิดให้จะได้ให้มันดับขยับไปหน่อยนึงความนักมันก็ดับไปพ อ, อสักพักนึงมันก็เกิดใหม่อีกพราะอย่างการเกิดดับของรูปน้ำมันจะเป็นอันิีจังทุกขังหน้าตามันก็สลับไปสลับมาสลับไปสลับมาอยู่เพรา ะ, ะนั้น์จนกลัวมือใดมือนึงเขาบำเพ็ญถึงที่สุดแล้วมันไปเห็นการเกิดดับของชิตของอารมณ์บุญเนี่มันถือว่าเป็นการเกิดดับที่แท้จริง การเกิดดับของกายของเวทนานี่เป็นการเกิดดับแบบสมมุติแต่ก็ต้องใส่มันไปถึงมันเป็นสมุดมันเป็นสัญญาก็ต้องใส่มันไปถ้าบุมีสัญญาแล้วปัญญามันเกิดโบได้เนี่ยมมนบอกถ้าบุญมีต้นไม้เดี๋ยผลเรไม่มันเกิดโบได้ต้นไม้โบแมนผลเราไม่มันกินโบได้คือผลเรไม่แต่ก็ต้องเอาพ่อผลเรไม่มันเกิดจากต้นไม้ถึงแม้มันเป็นสัญญาก็ต้องจํำพ่อสัญญาตัวเนี้ยจําดูๆแล้วมันจะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นผลขึ้นมาก็ต้องเหตุเส้นเด อันนี้อันที่สองให้ยาสงสัยในคุณวรุธธรรมสุนรกสวรรค์มิจูไซบ่เนี่นรกก็เป็นความบรสบายกายบรสบายใจผู้เจ้าเคยเป็นบ่เป็นโพดมือหลายหลายเทื่อนนั่นนรกแล้วคว า, า, ามบรสบายกายบรสบายใจยำใดบางเถื่อสบายกายหลงปวงเบาสบายกิจ ก, กินกระมวลกินกระเสบรับกรสบายลงปวงสวะสวะ่างบางมือก็มีเมืนบอกนั่น น, น, น่ะนิพพานมีแล้วเ น, นี่านิพพานมันก็เกิดให้เห็นอยู่งเหรอแต่มันมีน่อยหน่อยเขาอยากจะให้มันหลายคนนี๋ก็สร้างเหตุปัจจัยมันขึ้นมาเห็ุอย่างไดมันลงปวงเบาสบายก็เหเ็ุเรื่อยๆนิพพานก็เกิดเรื่อยๆ <c oughs> เห็ุอย่างไดให้มันเกิดความอุกใจอังใจบรสบายกายบรสบายใจ อเห็ดกินตามเจ้าของอยูตามเยาของเล่นตามยาของเห็ดสนุกมุกงวนไปโดยบ่มีการเลือกนั่นเดี๋ยวก็ได้เจ็บได้ป่วยเดี๋ยวดีตกนรกแหละนี่นรกสวรรค์ของจริงมันอยู่กับเฮาเนี่บ่มันอยู่นอกตัวเฮาพราะพระพุทธเจ้ามันบดีสอนนรกสวรรค์นอกตัวด้เพราะนรกสวรรค์นอกตัวมันพิสูจน์ได้ในเวลาจักว่ายุใสแต่นรกสวรรค์อยู่ในใกายในใจนั้นพิสูจได้ตลอดเวลาน้อยนึงก็ไปนรกน้อยนึงก็ไปสวรรค์ หนึ่นึ่ก็หาความสบายหน่งหนึ่งก็บรสบายเปลี่ยนไปเป็นมาดเดโคตของอนิจังบทเทียงแทนในนพพนท์เพราะพระอริยเจ้าเป็นมาเห็นทีงสี่เป็นเบื่อในต้องการทรับไปทรับมาเดีย๋ยวสุขเดีย๋ยวทุกข์ดูทุกข์ดูสุขดูเสียมันบมดจบเป็นในที่สุดมันก็ออกมาจากสุขออกมาจากทุกข์ด้วยกันมาบําเพ็ญวิปัสสนาเพื่ออย่างเพื่อยกระดับจิตให้สูงขึ้น เกิดปัญญาปัญญานี่ยไปหยุกระ้วรับจิตให้สูงขึ้นจิตมันก็จะเบาไปพัวพันข้อกันสุขกันทุกข์กันดีกันชัวของรูปของน้ํานี่จิตมันก็จะลอยสูงขึ้นมาเบิงรูปเบิงน้ำมันสุ้กันเบิงมันมัทุกข์กัเบิงมันเบาไปตามมันอ่ามันสบายกับเบิงมันมันบาสบายกับเบิงมันบาไปทุกข์บาไปสุ้กันนะมัน แต่ถ้าห่เห็นรูปเห็นน้ำเ น, วว ะ, นะเว ล, ล, ลาสุกซุกน้ำไหลเติดเตลิดดงลาลเลยมันบอกนะเวลาทุกข์กับทุกข์หลายแสดงอาการให้โหัวโกหกห้องแสดงอาการโศกเศร้าเสียใจไปน้ามันหมดเลยนี่เขาเรียกว่าห่าวเห็นมันมันก็เลยเผาห่าวแต่ถ้าสมมติท่านไมา่เข้าใจรูปน้ําแล้วโอ้ทุกข์ก็ม่นก็เป็นความขืนซื่อถ้าทุกข์กายกับบัตรง่ายๆลุกนางย่างเดินกินบําบัสใช่มันก็อยู่ได้แล้วมันบอก ทุกข้างกายบวบบัดง่ายแต่ทูกข้างใจนี่เพี้ยมันย่ำแต่เขาเผือเขาไปยึดเป็นกูเป็นมึงขึ้นมาทุกล้วอ๋อมันก็ความคึดนก็เนี่ยเฮาจะไปยังมันความขึ้นเนี่ยสลัดทิ้มไปทุกมันก็ลน้นเสร็จแล้วอันนี้เวลาขีดอย่ขึ้นมาปั๊บเข่าไปยึดปั๊บเป็นกูเป็นมึงขึ้นมาเป็นเฮาเป็นเขาเป็นเรื่องไปรนาวขึ้นมาปล่อยเบอเป็นเนี่ยนี่เขาเรียกว่าลืมแล้วลืมดูด ล, ลืมน้ําแล้ววันี้เขาไปได้ความขึ้นน่ามันก็มากแต่ละเรีนบอก นึกว่านรกสวรรค์เอาไก่ๆนี่จะไปเอาไก่พอเห็นนรกสวรรค์บอกเข้าไปนรกสวรรค์ปั๊บไปไสบันนี่ใจไปนิพพานเถอะเย็นรับสบายบอกไปวนกับความดีความสว้าของบุรดายบอไปวนกับความสุขความทุกข์ของบุรดาสุขทุกข์ดีสัว่วเป็นเรื่องของเขาขเขาสั่งมาเองเขาเลยไปสั่งให้เมื่อมันเกิดขึ้นกับเขาแล้วก็บเรื่องของเขาเขาไปวิวโวยโดยพี่พาบาเวก็ขเขาที่ยังนังน่นเนาะบอกตรงกรรมไผ่กับมมันสร้างมาสร้างให้กันบุรดา นี่ถ้าเฮาหูกดอันที่สองเฮาจะบ่สงสัยเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานบ่สงสัยในคุณพระพุทธธรรมประสงคบ่สงสัยสัตีิสัตนาอีกา้ำสนี้ก็เป็นมือนีสัตนาก็เป็นมืออื่นนั่นบ่ล่ะสัตนาสาัตีิก็เป็นชั่วโมงนีสัตนาก็เป็นชั่วโมงต่อไปนั่นแหะมันพิสูจน์ได้บ่โบต้องล้อว่าตายไปคน่อาไปสัตนาโบตรงร้อโบเป็นพูทธศาสนานั่นน่ะอ่า อาที่นี้เขาอยู่นี่อาทิตย์หน้าจะอยู่ไซกต็ตรงนี้จริงมันบ่เนี่ยสันนิษฐาเบื้องไกลๆเนี่ยเบื้องไกลๆไปเบื้องไกลอ่าอันนี้ ห, หูอันที่สองละเป็นพระโสดาบันไดแปดสิเปอร์เซ็นต์ละแต่หูเราก็ทาไ้เห็นน้าทำตามไรได้ไดบแมนณรหูเราก็ชื่อเราก็พอมีอนี่ยเข้ามาต้องกับเป็นกูเป็นมึงคือเขาเนีน่ยบรมเณรละเป็นความจําิบสิบบรมเณรความจริงบงรงบงมเปัญญาอันที่สาม พ่อหายสงสัยที่สามมันอย่าบอไปยึดดียึดหายของคนบอไปยึดว่าเอออ่าคนนี้ดีกูจะต้องหักมัน่นคนนี้บดีคูต้องซั่งมัน่นอาจารย์นี้ดีก็ต้องนับถือเพคนอาจารย์นี้บดีกูโบนับถือคนมันอย่าบอเอาดีเอาชัวกับคนทางนอกข้อที่สามนี่นะ แต่และคนมีกรรมเป็นของเจ้าของแต่และคนมีบุญเป็นของเจ้าของเข้าไปเพิ่มให้ครับบอดาเขาก็ไปตัดบไดาเขาบุมีสิทธิไปดีใจเสียใจอย่างเขาแต่อนุโมทนาคําว่าอนุโมทนาแปลว่าส่งเสริมให้กํำลังใจให้เพินไปในทางสิ่งที่ดีในทางใดในทางที่บุตีก็ต้องคอยบอกคอยเตือนคอยให้สติเพิ่นแล้วอันนี้หน้าที่ของเขา่าเอินว่าสีละพระตะปรามาตคําำมงเคล น, นะแต่ว่าบอกคําคนี้แล้วเขาบุตรเคยได้ยิน เขากระโบกชักมันแปลว่าหยั่งบอกแต่มันแปลว่าเข้าบอกไปเอายึดดีซื้อซวของเข้าเองบอได้ยึดดีซื้อของพื้นมาเป็นลักเป็นเกณฑ์ปงยิได้ ใ, น ใ, นใจว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนทุกคนเป็นไปตามกรรมบ่เม่นเขาไปสร้ง า, า, างให้เขาเขาก็บ่เม่นมาสร้างให้เข้าต่างคนต่างมาหลับใส่กรรมเจ้าของบอกไปเชื่อไปยึดดียึดหายมาเป็นเจ้าของมันกะละอุปท า, านได้ดีได้ซัวใดอ่า เวลาอยู่กับบ้านพอบ้านดีอาก็ดีไปน้ำมือนึงพอบ้านไปนอกใจไปมีเมียหน่อยขึ้นมากเสียใจอุกใจจะข่าจะแกงกันนั่นเขาไปยึดยดียึดชัวของคนอื่นแล้วนั่นเพื่อนจะดีไปสัวเป็นเรื่องของเพื่นเหมือนเวละเพื่อนจะมีเมียหน่อยไม่ลวงก็ไปล้วงเพิ่นเวลาพิชชอบไปเขาโบ ก, กิว้วเขาก็สบายบอกอันนี้ยังเนี่ยมึงอยู่บ่ใดกูก็อยู่บ่ใดขึ้นกันเนาะเอาไปพุญไดไหมเนาะจะข่าจะแกงกันเห็นบอกเพราะฉะนั้น เรื่องนี้สําคัญแค่พระสูดาบันนี่ชีวิตเท่าก็บเย็นไปครึ่งล่ะเท่าละได้สามข้อขนาดว่าราคาทศชาโมหันนี่ละบทท่านใดได้พระสูดาบันไะราคาโทศชโมหัยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ละความสกิรยัิที่ใดวิชิกิเชยได้ใส่สีละพระดาวละบาทใดเท่านั้นพระพุ้ทีเจ้าเอินถ้ายมผู้ใดยมผู้ยิงผู้ใดได้ดวงตาเห็นท่ามเป็นพระสูดาบันเพลินว่าลูกสาวของเพิินอยมผู้ซ้ายผู้นใดได้ละ อาดาสามตัวนี้ได้เป็นว่าลูกซ้ายของเพลินเพราะเราหุนโบราณบอกว่าเปนลูกซ้ายของเพลินลูกซ้ายเอส า, สาวกบโตสาวกสังโคคนนั่นแหละคนที่เข้าถึงโซโดาสกินาคาราคารในพระหนันเป็นลูกของเพลินเป็นสาวกของเพลินนอกนั้นถ้ายังบอท่านเข้าถึงคุณธรรมซีประกาศนี้ถึงแม้เป็นลูกเป็นพอ่อเป็นแม่กันก็ ย, ยังบอแมนบอแมนญาติท่ำเดียวกันยังเป็นญาติสายโลหิตอยู่มันเป็นญ า, าติท่ำดังนั้นเวลา ปฏิบัติแล้วเขาเข้าใจอย่างนี้แล้วมันสบายไม่สวงอะนี่อยู่ไสกินไสตายไสต์ป่วยไสต์แกบอกบอกคนนิ่งแหละเพราะนั้นปีหนึ่งนี่ที่วัดหลวงพ่อเนียอยู่บ่พอเดือนเดยวนไปอยู่ตามงานอย่างนี้แหละแหงเละเช็ดมือแหงเละซิบมือแหงเละสองอาทิตย์แหงเละสาอาทิตย์ไปเลย <c oughs> <ๆ>ได้ได้ได้ทำํำนาทีอันนี้แกว่าโอ้นาทีของผู้ดีเจ้าคนเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ คนก็ต้องการมาถึงชุดนี้เหาะทั้งหลายที่เขาบำเพ็ญนี้เขต้องการมาถึงชุดนี้จุดที่ว่าเจ้าของสบายแล้วแจกความสบายให้ผู้อื่นต่อไปบอกวิธีให้คนสบายต่อไปมันเป็นกําไรของชีวิตถ้าเขาเกิดมาศาสตร์หนึง่งมาถ้ามากินเฮียนหนังสือหาการทางานทํามีเงินมีทองใส่มีดูมีเมียมีผัวแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าไปก็ตายถ้าก็จกมีตำนานหรือชีวิตอ่ะ ถ้ามา sunny, ันมีสำนั่นบันต้องเกินมากระไรเป่นวะมันต้องได้ดีกว่านั่นอืมมันบริยากได้กันไปหากการงานมีลูกมีเต่ามีผัวมีเมียมีเงินมีทองแล้วก็ตายไปมันบรยากเจ้าเม็ดแต่ปัญญานมนุษย์มันควรจะได้หลายคนนั่นเขาเกิดมาปัญนุษย์มีปัญญาต้องได้หลายคนนั่นก็คือต้องได้พ้นจากทุกความเป็นผัวเป็นเมียความเป็นพ่อ เ, เป็นแม่ต้องได้พ้นไปจากความเป็นพ่อคนแม่พ้นพ้นไปจากความเป็นผัวคนเมียคน บ่ต้องได้เกิดมารับใส่กันอีกเป็นบ่แล้วแต่ดาวหาบอกมาปฏิบัติต้อให้เกิดปัญญายกระดับคิดให้สูงขึ้นนั่นศาสตต่อไปเกิดไปพ่อกันอีกก็ใส่กรรมกันอีกยื้อเส้นน่ะพันกันไปพันกันมาอยู่หพันเป็นอยังคนมาพ่อกันแล้วถ้ามันเป็นครูผัวตัวเมียกันเรามันอยู่บ่ได้มันอยต้องแล่นหากันเป็นบ่กรรมมันผูกพันกันมาแต่หลายสาสตรแล้วแต่ถ้าหาว่ากรรมเ่าวโแห้งเนี่ยเอาไปพ่อผัวใดความผูกพันความแน่นเหนียวความหักความมันก็บอบบีบบ่คันเหงา พอโบมีกรรมต่อกันแม่นบอกพี่ว่าอ่ารับสารภาพเสียดีๆสมัยเป็นบ่าวไปเห็นไม่ออกแล้โอ้ยบ่ได้อยู่น่องกันมันบ่ได้มันจะตายแท้ๆได้ต้องได้อยู่น่องกันอ่ได้ตายแทนกันได้หมดนะเห็นบอลเนี่ยกรรมเว้นมันผูกมันบีมันขันเราได้โบเม่นตัวเขาได้นแน่ะอ่ามันเป็นกรรมไอ้เว้นเขาสร้างมาลายภพลายศาสตร์แล้วน่าจะเห็นว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมีขาสูงสุดผู้ใด่า ชีวิตเจ้าของก็่าพระพุทธเจ้าเพื่นว่าผู้ใดด่าผู้อื่นกระดาพระพุทธเจ้าเพราะในตัวเขาเนี่ยมันมีความหูที่บรรลุทําได้ถ้าเขาไปตีฆ่าบีตีบวยร่างกายของผู้ใดก็ตามก็ถือว่าได้ทํำลายสัจธรรมสมว่าทำลายพระพุทธเจ้าเพื่นว่าแม้แต่คนที่คิดฆ่าเจ้าของนี่ก็คือฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นบาปหนา พอถ้าหากว่าค่อยอยู่ไปกินไปมันอาจจะพอทั้งสามารถบรรลุธรรมใดเส้นเดยความเมตตากรุณามันก็เกิดขึ้นอยู่กันดีสามัคคีปองดองรักใคร่กันส่งเสริมส่งเสริมปฏิบัติธรรมกันมันก็สร้างชุมชนขึ้นมาชุมชนผู้ปฏิบัติธรรมชุมชนผู้เห็นธรรมชุมชนผู้รู้ธรรมมีอย่งก็อยู่กันคือญาติเดียวกันญาติธรรม แต่ถ้าเป็นญาติพี่น้องนี iosis, nine, her who, her children, ่มันบอเป็นยังสั้นเลยญาติพี่น้องมิได้ทะเลาะเบาแวงกันเพราะยังเพราะมันแย่งผลประโยชน์ของพ่อของแมู่้นันได้หน่อยผู้นีได้หลายพ่อหักผู้นั้นหลายแม่หักผู้นีหลายสั่งผู้นีเกียดผูุ้นั้นครอบครัวหนึ่งจะหักกันในพี่ในน้องนี่ยากที่สุดเพราะมันมีผลประโยชน์อืแม่หักผู้นีหลายลูกผู้นั้นก็สั่งแม่แล้วเว้ยนี่หักคนนั้นหลายให้พุนีหลายขผู้นี้บให้อีกสิแะ มันก็เลยความหักกันในยาติสายโลหิตเลยหาได้ย่ายแต่ว่าถ้าเป็นยาติธรรมแล้วเนี่ยมันแบ่งผลประโยชน์กันผลประโยชน์ของยาติธรรมคืออย่างผลประโยชน์แบ่งศีลบอกสีนให้กันปฏิบัติบอกเรื่องสมาธิให้กันทำบอกเรื่องปัญญาให้กันศึกษานี่นี่ฮะแบ่งประโยชน์กันนะเนี่ยแบ่งเมตตาให้กันปฏิบัติแบ่งกรุณาให้กันแพร่ขยายแบ่งมุทิตายินดีอโมุทนาต่อกัน แบ่งอุเปเเขาเมือม่อมูเมื่อเพื่อนได้รับวิบากกรรมนักขึ้นมาเขาก็ซอยอย่างบุได้เขาก็ซืซื้อซะบุต้องไปทุกข์กับคนอีกหักสายใจเสียๆแวที่เป็นต้องตกต้องเป็นต้องป่วย ป, ประสบบัติเหตุไายแรงแบบนั้นพ่อกรรมของเพิ่นเขายังหักเป็นบรรุได้ก็ซอยเป็นบรรุได้เขาก็ทำใจเสือส่อๆซะสินะก็บริหารการโดยใส่ลักของพมบวิหารอยู่อย่างพมเป็นว่าถ้าอยู่ แบบเทวดาเนี่ยมันเลยยังพบุทุกมันจะต้องไปโตนรกถ้าอยู่ยังพมเนี่ยมันบอ่อยากไขโตนรลกปันใดคือให้พ้มบริหารพ้มสีหน้าหน้าที่หนึ่งคือให้เมตตาต่อกันหน้าที่สองคือมีกรุณาต่อกันหน้าที่สามคือนิยมสมพรอนุโมทนาการทําดีผดดู้ดีขี้ดีของกันและกันจะไปอิจฉาบังเบียดกันหน้าที่ดังนั้นเวลาเขา ให้ศึกษาเรื่องนี้ไปแล้วเขาให้จำจำใส่ใจเวลาจะไปปฏิบัติเวลามันจะคิดดอกแนวนอกไปเขาเอาเรื่องนี้มาไขข้นพอมาไขค้นแล้วมันก็จะเกิดความซุ่มอกชุ่มใจแทนจะจะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายเกิดความห่วงเหงาเศร้าซึมเพราะเอาสิ่งที่ดีๆมาคิดใน ใ, ใจมันเกิดกำลังใจเกิดความปีติความเบิกบานการปฏิบัติมันก็มีกำลังเหมือนต้นไม้ได้นาม ถ้าปฏิบัติไปแช่อยู่กับตัวหูเมียดุนๆแล้วก็บรเปลี่ยนบแปลง่ยนตัวหูเมียมันกระบิเทียงมันเกิดแล้วมันกระดับมันเกิดแล้วมันก็เสื่อมแต่หูเมียดูๆแล้วก็เอาแนวอื่นมาตืึงมันผู้เฮามาเนี่เฮามาตั้งใจปฏิบัติบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งใจบูชาคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจบูชาคุณครูบ า, า, าอาจารย์เฮาเหตุใดเท่าใดกะ เขาจะตอบแทนบุญคุณเผินมันเหลือเขาก็จะได้ใส่เกิดสติปัญญาเจ้าของแทนที่เขาจะไปนึกทอดทอยที่สิน้นโอ้ด้จะได้ยังนอหรือบไวใดยังได้คิดออกไปในเรื่องอื่นเมื่อเป็นประโยชน์ถ้าจะคิดจะคิดให้เป็นประโยชน์คิดแล้วให้เสริมกําลังใจเจ้าของเจ้าของมีกําลังใจมันก็ไปฏิวัติเมื่อมือมือมือได้นอนเดือนได้นอนปีได้นอนกูจะหุ่นชัก เห็ดด้วยความอยากเฮ็ดไปเท่าไรเท่าใดก็บรรกระดมันอยากเพราะบ่ได้ตามอยากกระท้อวันนี้กระท้อเอาเห็นมูเฮ็ดก็อยากเฮ็ดเห็ดไม่อีกเมื่อเบื่ออยากอยากอยู่สั่นวลาอยากกระเฮ็ดวลาเบื่อก็เศ้ามันไปใส่บ่ได้เลยมือหนึ่งมันก็อุกใจว่าเอ้าวเราไปคู้ยเฉยบ่เอาละคูยเฉเฮ็ดถวายพระพุทธเจ้าได้กระซังบ่ได้กระซังเขาเกิดมานีนมาพ่อพุทธเจ้าพ่อคําสอนพุทธเจ้าสีวิตสุดีแล้วศาตนี้บ่ตรองอย่างบุตรองเอาอยัง เหตุกรรมฐ า, านบูชาผู้ที่เจ้าก็ พ, กพ่อเหตุบุพเพเจตมือเห็นเข้าใหญ่มีแห้งแบบนี้เหตุมาตลอดเลยต้องเถื่อความคิดความอ่านของเขาเนี่ยในทางดีๆทางที่เป็นกุศลเนี่ยต้องเอาเข้ามาเสริมบุบแมนคิดบนนะุบใดความคิดที่มันเป็นโทษคือคิดไปทางอากุศลคิดไปทางที่ไหล่สาละคิดไปทางเลื่อนลอยคิดไปทางที่บุบมีเหตุไม่ผลเอินความคิดมันเป็นอันตรายเป็นม่าน แต่ความคืดอีกหนึ่งอีกอันหนึ่งความคืดที่เป็นกุศลความคืดที่เป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาเนี่ยเอาเข้ามาซอยความคืดคือกันความคืดตัวหนึ่งมันเป็นกิเลสความคืดตัวหนึ่งเป็นปัญญาแต่ความคืดนั้นน่ะถ้าคิดด้วยสติมันเป็นปัญญาถ้าคิดด้วยขาดสติอวิชามันเป็นกิเลสตัวเดียวกันเมื่อวานคุยกับปู่ได้ว่าถามว่าความคืดกับปัญความคืดกับความผูกต่างกันยังไงเมื่อแรกหมัวก็บอกให้ฟังเลยเนาะ ความหูมันหู้แล้วมันจบแต่ความคูดแล้วมันหูมันไม่จบเมืนวะมันไม่จบเพราะนั้นเวลาเขาปฏิบัติเนี่ยเขาบอตองการเอาความสงบบอตรงการเอาฤิดดด์เดชปฏิหารบอต้องการเอาบุญอกุศลอย่างแต่ต้องการให้เกิดปัญญาเพื่อมันเกิดปัญญาเนี่ยเขาอยากจะให้ชิดสงบก็ได้บอให้มันสงบก็ได้เขาอยากให้ชิดสะอาดก็ได้บอให้สะอาดก็ได้เขาอยากจะให้ชิดโล่งโปรงสบายก็ได้บอให้เกิดก็ได้ ปัญญามันเลือกเหตุได้นะเพราะปัญญามันหู่จักวิธีเป็นบ่ละอ่าที่ได้ปัญญามันมีสองอย่างนี่หนึ่งโลกียะปัญญาสองโลกุตระปัญญาโลกียะปัญญานี่ยพอมันมดแนวอยากมันกังวลล่ะคอดตกล่ะมันแต่พอมัอยากขึ้นมาเอามันตื่นขึ้นมาเอามายิบอยู่สันนี่คือเราว่าบอท่านถึงโลกุตระปัญญาโลกุตระปัญญามันจะซืึนเบิกบานตาซิงตื่นตัวอยู่เสมอบนนางแซ่นางกลุ่มนางง่วงนะมันจะตื่นตัว อันนี้เขาเห็นว่าผู้นี่กําลังบําเพ็ญโลกิยาแล้วโลกุตลาหถ้าโลกุตละมัน ม, มีการปรับตัวตื่นตัวตลอเวลาถ้าโลกิยาแล้วมันตาเห็นได้ตามอยากถ้าบรได้ตามอยากมันกระบอกเอาอย่างมันก็ทิ้มไปโลกิยะปัญญานี่ต้องการเอาเข้ามาหาเจ้าของแต่โลกุตละปัญญาต้องการเอาสิ่งติบอดีได้เจ้าของทิ้มไปอ่ามันต่างกั น, นพผู้ที่เจ้าตัดไว้อย่างนี้ว่าลาภูปนิสา ปฏิปทาทันทาปัญญาปฏิปทาสองอย่างอันที่สองนิพพานะสัจจคโรณาาัฐาปฏิปทาขิปาปัญญาว่าปัญญามีอยู่สองชนิดหนึ่งปัญญาที่ต้องการลาภูปนิสาคือต้องการลาภะต้องการลาบสการะ <c oughs> เหมือนกับคนที่จกจุมมือไปในหม้อขดตุม่ม แเราต้องงอมือหน่อยหนึ่งดึงขึ้นมาเข้าตมมาติดมืขึ้นมาพอได้อยู่ได้กินอันนี้เขาเรียกว่าปฏิปทาเพื่อได้ลาบคือจุบจุมมูอจุมมือเขา้าในมคอตุม่มยกขึ้นมาอันที่สองนิพานา ช, าชิกรณาถาปฏิปทาคิปะปัญญาปัญญาที่เกิดยังรวดเร็วเมื่อป่าหลบการกระทําพันิพาณให้แจ้งเหมือนค้นจุมมือลงในมคอตุม่มจุมลงไปแล้วยกขึ้นซื่อ เข้าต้มกิดมือเท่าใดก็ได้กินเท่านั้นแด้เลียยอกก็ได้กินนะแต่ผู้หนึ่งมันโบได้เลี้ยมันโกบขึ้นมาเลยเนะ่ะงอมือหน่อยหนึ่งมันก็ได้บอกหลายวันเด้อันนี้เขาเรียกปฏิปทาเพื่อได้ลาบหยุดสันรเสริญเป็นโลกียปัญญาเป็นปัญญาที่ทําให้เนิ่นชาทันทาปัญญาง่วงเดีมียอยไซหัวนะหลายรอบแล้วก็ยิ่งตาดูบอยู่นะไม่ว่าตาดูเลยนะอแก้ม่ไอ ย, ยแกต้องดินล้นต้องต่อสูดเป็นนางคอฮก อ, อย่างท่นบอก อืมเข้าต้องบ้าบัเพ้นโลกกุตละปัญญานี่ตัวอย่างในการต่อสู้ต้องสู้แบบนี้สู้ก็เกียรติเจ้าของบุต้องไปสู้กับคนอื่นอืมนั่นถือว่าเป็นวิราสตีดีกว่าจะมาตั้งเป็นไปสู้กับเพื่นเด้เพราะฉะนั้นตัวนี้อย่างมาวามันเป็นเรื่องสําคัญในในในโลกดิบนมีเรื่องอื่นสําคัญเท่ากับเรื่องนี้ในความเห็นหลวงพ่อนะคุณจะได้เงินเป็นมือเป็นเจ้าของแผ่นดินเป็นมหาจักรพรรดิกระบอสําคัญทอกระเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าเพูนว่าเป็นเป็ น, ปน ม, านมาหาจักรพรรดิมาหลายภพหลายชาติแล้วเพู่โนบะเอามันทุกข์อ่าแต่พ่อมาเฮ็ดตัวนี้แล้วมันเหนื อ, อมันเหนือความเหลือเหนือโลกเหลือความเปลี่ยนแปลงคําว่าโลกคําว่าทุกข์คำว่าจิตนี่เป็นอันเดียวกันฟังให้ดีเลยคาว่าโลกคําว่าทุกข์คำว่าจิตเป็นคําที่ใส่แท่งกันเพราะอย่างพ่อมันต่างต๊ะอยู่ภายใต้อานาจของ ไง ล, ล่ะอันนี้จังทุกครั้งนันตาชีตวงเฮาถ้าหากมันยังเป็นโลกิยาจิตอยู่มันก็จะหมุนไปตามอนี้จังทุกครั้งหน้าตาน่ะจนกระทั่งเขายกจิตให้พ้นเป็นโลกุตละชิตคือมาอยู่กับความมู้ดซึกงหูเมียที่มันเป็นความมู้ดซึ้งซื่อๆเนี่ยเป็นโลกุตละได้ความมู้ดซึกงหูเมียมันบอเป็นดีเป็นให้แต่ความมู้ดซึกดีซึ่งให้เป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของความ ข, ข, ขดแต่ความมู้ดซึกซื่อๆเหมือนน้ำใสๆเนี่ย เมื่อน้ำใสๆเนี่ยเขาเติมน้ำหวานน้ำตาลลงไปมันก็กลายเป็นน้ำหวานเติมน้ำขมลงไปมันก็กลายเป็นน้ำขมมันบอกแต่เขาตัดความหวานความขมออกมันก็เป็นน้ำซื่อๆตัวน้ำซื่อๆเนี่เขาเอื่อว่าเป็นตัวลกุตะละเขานําไปอาบไปกินไปล่างไปซวยไปยังได้มดน้ำซื่อๆน้ำใสๆในเห็ดใส่ได้ซูแนวแต่ถ้าน้ำเอาไปปุ่นไปป้อมหรือใส่ใดบางอย่าง จเจานํากาแฟไปซักผ้าจากเธอวะเจ้านํากาแฟไปอาบจ้กเธอวะโบได้เอานําตาลไปไอทูบ้านจาเจ้าเธอวะหมดขึ้นเต็มหมดเลยมันวะล่ะโบได้ถ้ามันปุน่นมันป๋อมเรามันใสโบได้มันใ ส, นใสเฉพาะเหลืองเฉพาะเหล้าเพราะฉะนั้นเราต้องการน้าบริสุทธิ์เวลาไปซื้อ น, น้า ม, มาผู้ใดเอาน้ำเขีวน้ําแดงมาในแกะโบมีจะกินได้โข้อมือ แต่ถ้าหากเป็นน้ำปลามันกินได้เสมอมเป็นวะละกินได้เสมอในโต้เฮาเนี่ยมันมีน้ำตัวนี้อยู่คือความหูซึกซือๆอยู่สุคนสุคนมันยังเกิดขึ้นก็ตามเฮาต้องมาตั้งหลักอยู่ความหูซึกซือๆนี่ก่อนเมื่อเฮาจะดีใจก็เอาหูซึกดีใจใส่เข้ามาเป็นใจดีไปละบำเรีนใจซื้อๆเลยเด็กหูซึกบ่พ่อใจเป็นใจเสียล่ะใจบ่ดีล่ะ ผู้ซือซื้อจะหายไปด้หายไปใส่มันก็ไปถูกปนกันนั่นล่ะที่นี่พ่อหน้ามันถูกเปื้อนแล้วจะกองมากเป็นกลับมากเป็นน้ำซื้อเนี่ยมันง่ายหรือมันยากน้ำว่าไปปนน้ำตาลเลอนะให้มันกับมาเป็นน้ำซื้อเนี่ยยากไหมบอหนั่นน่ะควจะกองน้าตาลออกบุ๋มเนของค่อยๆดู้น้ำนมควรจะแยกนมออกจากน้ำใดมันเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องยากยากที่สุดระบบมิพุระอยากเหตุได้เป็นบอละต้องเอาไปกัน กันเราเมื่อตกตะกอนตกตะกอนเราไปกากแดดให้มันกลายมาเป็นนุมล้วนๆแล้วเอาน้ามันมายัดมาหยาดออกมาเป็นน้าตาหักเบื้องต้นเยครับบนการมันคือกันฮักสายใจซื่อๆเนี่ยยะย่าปล่อยให้ได้มาตกมาต้องเซมันมาตกมาต้องเซมันมันแยกกันยาบเราดึงมาคิดคิดคิดคิดบูฮู้เฮาความมู้ซึของเมียซื่อๆเลยหายไปหมดบัดที่ใส่แลยใส่บ่ใดบ่เนี่ย ไปใส่ความโลภความโกรธความหลงแทนเพราะไม่คิดแต่เรื่องนั้นจะใส่ความคุณสึกซื่อโบเป็นแต่นั้นเขาปฏิบัติมาเนี่ยเพื่อข้าศาตัวรู้สึกซื่อเนี่ยว่าให้โดนดีจุดโจนกระทั่งมันเกิดตัวคุณสึกซื่อเกิดเป็นปัญญาแต่ถ้าหาาความรู้สึกซื่อถ้าบ่ามีปัญญานี่มันเกิดถูกความขึดเอาไปปนปลอมเป็นดีเป็นสวามดตข้าศาไว้โบได พ่ออยูบนทเกิดโลกุตรปัญญาโลกิยาปัญญาที่จะรักษาความคืดนนี่ความความมุสุซื่ซซอๆโบราณเลยพอเนี่ยพ่อมันยังถูกความดีความซัวหลอกอยู่ถูความคิดมันหลอกอยู่คาูากิเลสมันหลอกอยู่น่ะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์กัเด็กน่อยเป่นวิจิตเป็นบริสุทธิ์คือกันแต่พระรหันต์นั้นจิตบริสุทธิ์ได้ดตลอดพอบนเกิดปัญญาแล้วแต่เด็กหน่อยมันจิตบริสุทธิ์แต่บ่มีปัญญามันพ่อจะดีๆจะซัวจะทุกข์จะทุกข์กต่อไปอีกนั่น นั้นเมื่อเป็นริงสี่แล้วเข้าก็บอ่มาเห็ดกับสิ่งที่ไก่โตหรอกมาเห็ดกับสิ่งที่อยู่ไก่โตเหต็ดกับสิ่งที่อยู่ในโตแต่ส่วนผูใ้ใดจะเอาได้บ่ได้ขึ้นอยู่กับวิบากบุญวิบากกรรมวาสนาบารามีคนบางคนนี่เสียดายเอามากเอาผลนิพพานบ่ได้อยู่กใกล้ๆโตได้เอาบ่ได้เพราะว่ามันหนาพดมันอยู่กับความ บาปกรรมดูกลับนรกลกลับอาบายมาดุมันไปทบไปทับไปถมนี่พันจะอยู่กันแหละแต่มันอยู่ลึกแต่บางคนมันอยู่ตื่นตื่นหนึ่งเนะี่ยเคียร์หาเขาเดียวกัพ่อแล้วบางคนคืดแล้วคืดอีกคืดแลี่ยงคืง่วงแล้วง่วงอีกบอกพอเลยเมืดอตึบเปังซี่อนาคตจะเป็นยังไงก็ทุกไปหน้ามันบอกไม่ได้ทุกขกับตายเท่านั้น่ไม่ได้ทุกขับตายเท่านั้นตอนนั้นเกิดมาศาสตร์หนึ่งเนี่ย จะให้ไปแต่รับใส่ลูกรับใส่ปรรู่รับใส่เมียรับใส่พอเทไ่แล้วบ่พ่อต้องได้รับใส่พระพุทธเจ้ารับใส่ตัวหูตื่นเบิกบานในเจ้าของเนี่ยมันคือว่าเวลวาละสวดธรวมแรงเว่าซุมื้อแต่โบเป็นกิ่งเชื่อเธอ พุทธสหัสสมีทาโซวาพุทโธเมสามิกิโสโลข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าวันนี้เป็นวัาเต็มปากเต็มค่ำวายกเลยน่อยอปวัดแต่ไปทาดแต้แต่ไปทาดผัวทาดเมียทาดพี่ทาดน้องทาดพ่อทาดแม่บันนีเป็นทาดของพระพุทธเจ้าเออแต่ข้ามีสองคือเมื่อวกนทำมัสหัสสมีทาโซวาทำมเมสามิกิโสโลข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าโอ้สวดเต็มปากเลยได้เพิ่นกันได้ บัดไปเอาได้แทวเอาบัได้เลยเป็นาทาสของของลูกของผัวคือเกขาเขาเปนลูกของทาสของผวัวลูกของเมียคือเกขาเนี่นนยนะบกกัอย่ามายุคกวัดชักเช็มือกับไมายากสาว ม, มื อ, อย่าควรอยากจะก้วะาวบ้านเดีวเห็นบอกอย่าวาได้หลายมือบ่กโอ้เช็ดมือบัไหวหลวงพ่อหนูหนูมีงานต้องเฮ็ดต้องเฝ้าไปพ้นดิอ่าอย่มามาเป็นาทาสผู้ชายชักสา ม, มือขยากกั น, นแต่มึงเขาได้เช็ดมือคนได้ซิบมือนคนเกง่งดังนั้น เห้าให้ยานให้กลัวความเป็นทาตถ้าได้เป็นทาตปพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเพิ่นพลดปล่อยเข้าปลดปล่อยเข้าเป็นอิสระแต่แตะกกเป็นทาตของกิเลสแล้วนี่มันไม่ได้บังคับผมเหงืใส่เข้าตลอดไปกิเลสใส่เข้าไปทุกรพทุกศาสตร์นะ่ะอืมใส่เข้าไปเป็นแรงนำความอยากที่หลวงพ่อว่าวมาว่านะ่ะว่าความอยากนี่มันเหมือนเสือ ตอนแรกมันไม่มีน้อยๆก็มันเสือตัวน้อยๆเขาอยากสุกเถื่อแล้วเขาตอบสนองมันสู้เถื่อนเห็ดนําทำต่ำมันสู้เถือนเนี่ยเขาก็ดาบงานลูกบาศถ้าเห็ดนําทําต่ำมันสู้เถื่อนเนี่ยเสือมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะอาหารของเสืออาหารของกีเด็จมันไม่ได้ความอยากนี่แหละเขาอยากเธอนึงเขาเห็ดน้ำต่ำความอยากเธอหนึ่งเสือมันก็ใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมา ในที่สุดเสอือคือความอยากตัวนั้นก็ เ, าเ อ, าอาวิชาตัตนหาอุปทานมันบีบขันเข้าไปบีบขันเข้าไปหาเงินหาท้องหาข่าวหาของหาสมบัติบีบขันเข้าไปหาลูกหาปู่หาแม่บีบขันเข้าไปหากินหาการอยู่ไกลปันใดต่างประเทศดินดอนตอนอยาอยู่ที่ไดมันได้เงินได้ทองก็ต้องไปทีมบ้านที่เ ม, มีมถึงลูกทีมโู่ที่เ ม, มียก็ต้องไปไปนําความอยากอยู่ของนะเบื้องตัวมันมันนักขนาดไหนโกเป็นธาของความขืดของกิเลสของความอยาก แต่ว่าเขามา <c oughs> รับใส่พระพุธว่าธรรประสงค์คือมารับใส่เจ้าของพระพูดคืออยังภาวะตืน่นรู้เบิกบานพระทําคืออย่งพระทําคือความจริงใจความตั้งใจพระสงค์คืออยังพระสงค์คือดึงกายกับใจมาอยู่น้ากันตลอดเวลาคําว่าสังขดดระรโดยพลวันคือกายกับใจมาสังขะกันมาสมาธิกันเขาเอื่อนมาสังขะ สังขาด้วยสมมติตั้งแต่ประสมท์ตั้งแต่สีขึ้นไปให้เปนบอกแต่สังขาด้วยปรมัติยกายกับใจมากอยู่น้ากันด้วยคุณธรรมเชียงหนึ่งอยู่ด้วยกันด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสองกายกับใจอยู่น้ากันแล้วปฏิบัติตรงปฏิบัติตรงไปตรงมากายตรงใจตรงว่าจะตง่งสปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาเจ้าของตลอดเวลากายกับใจอยู่น้ากันจะแก้ปัญหาได้ส ปฏิบัติแล้วถ้าไม่เกิดความเหมาะสมความขวนอินสามิชีปฏิปันโนสีย่ยางนั่นะเรียกว่าสังฆะพระสีองค์เบุ๋มปนพระองค์นันโอนี่เลยถ้าพระบ่๋มีคุณธรรมสีย่ยางก็บรรจุว่าพระสงฆ์เดยพีพ่คำหนึงสุปฏิปันโนสองอุชุปฏิปันโนสายายาปฏิปันโนสสามิชีปฏิปันโน เงนบอกสูบปฏิปนุพฤติดีด้วยกายว่าจาใจอุชุปฏิปโนุปฏิบัติตรงด้วยกายว่าจาใจยายาปฏิปโนปฏิบัติแก้ไขปัญหาให้กายว่าจาใจสามิจีปฏิปโนุเหตุและเจ้าของเป็นคนมาะคนสมคนขวนเหตยุยังง่ากันวอกการคิดการทำในสิ่งที่ดีที่หม่ะที่ควนเปินสามิจีปฏิปนุ <c oughs> ทำสามิจีกรรมหมายความว่าเห็ุไปแล้วให้เคาลบเจ้าของ ยาเหตุนั่นจะของให้คนอื่นได้ดูถูกเหยียดหยามเฮาขรรพบเจ้าของเฮาก็เขารพบผู้อื่นผู้อื่นก็ขรรพบเฮาถ้าบอกขารพบเจ้าของบ่เป็นเฮาขรรพบผู้อื่นบ่เ ป, นนบบเป็นคนอื่นเขาก็ขรรพบเฮาบ่เป็นเพื่อกันเดชเพราะนขั้งสอนผู้เจ้าเพื่อละเอียดอ่อนแท้ๆเดชละเอียดอ่อนเพื่ะนั้นลําพังแต่โลกียะปัญญามันบกพอใส่เฮาไปลองไปสร้างตัวโลกุตลาปัญญา หลวุณเจรปัญญาบอกเมื่กี่แล้วว่าคือปัญญาที่ยกจิตออกจากความดีความสวของคนอย่าไปวุ่นว้กับความดีความสวของคนผู้นั้นจะดีบรนไดกับบุปไปสอนผู้นั้นจะให้บรนไดกับบไปเหยียดยามสั่นเติมเขาเป็นเรื่องของเขาเบิ้งซิซื่อซอยอย่างไดกับซอยซอยอย่างบุไดกัอยู่ซื่อซ ะ, อะแม่แต่ผัวแต่เมียแต่ลูกของเจ้าของกันตามเมื่อวิบากกรรมเขาเม้ามาถึงแล้วนี่ลูก ไปติดยาไปเข้าคุกพ่อแม่แด้นอนนอกคุกจะตายใชก่อนเดบอนี่ไปพัวพันค่อนบีความสสวของผู้อื่นหรือว่าสามีไปเหตุพิษไปฆ่าผงข่ายามากตำรวจจับได้ไปเข้าคุกเมียลูกอยู่บ้านจะตายใช่ก่อนพอ่อยังพ่อบอมีโรกุตระปัญญาไปเกี่ยวข้องกับความบีความสัวความสุ้ความทุกขอของผู้อื่นหลายเกินไป เฮาก็เลยวุ่นวายเลยมันนี้ยมันบอกบ่มีความสุขจากเธอแต่ถ้าเข้าใจแต่ละคนมาพอกันด้วยอํานาจของกรรมผู้นั้นจะไปดีไปให้เปด้วยของกรรมตัวซัตว์บุคคลตัว ต, วตวนเขาเขาก็คือหลูกก่อน้าม์เท่านั้นแต่มาสมานานสมุติกันว่าผู้นั้นผู้นี้สมมุติกันว่าเป็นยิ่งเป็นไส <c oughs> เน้เป็นพระเป็นโพ่เป็นเท่นเป็นเน้นเป็นเทนเป็นชี้มาสมมติกันทีหลังเฮาก็ไปหลงสมมตินั่นซะแต่มื่อนี่เขาบอกว่ากำมหาหลวงพนาม มหาวิทเจ้ของเจ้าของนางผู้ซึกอ้งเป็นตัวโคโลก่จะไปนึกเป็นภาพขึ้นมาเด้เป็นภาพพ่อจังเซนผู้สวยจังเสนผู้งามจังสี่ผู้ขี้เล่ยจังสี่จะไปนึกภาพแบบนั้นนึกภาพว่าคณะนี้เขานางผู้ซึกงยังไงนักนักเป็นรูปหรือเป็นน้ําอ่าเป็นรูปแล้วผู้ใดเป็นเป็นผู้ผู้ซึกงแมนเป็นหน้าผู้ซึกอ่าแค่นี้นึกแค่นี้มีอยู่แตลอเวลาของจริงคูนีแมนบอก แต่เจ้าของเป็นคนหน้าอย่างใดตาอย่างใดผมเผาอย่างใดแต่งตัวอย่างใดมันนึกเป็นได้บางเทือเท่านั้นแม่นะบ่แต่ไอ้ลูกกำน้ามันมันปรากฏอยู่ตลอดเวลาบดตรงได้นึกบดตรงได้คิดความจริงเมื่อในสิ่งที่นึกคิดเอาแต่เป็นสิที่สัมผัสเอาเป็นที่ที่เข้าใจเอาเป็นที่ที่ลึกเอาความจริงเนี่ยนะเวลาตอบปัญหาหลวงพ่อหลวงพอบอกอย่าไปใส่ข้อคืดมันไปบังปัญญาคืดอะไรก็บอกเราเป็นไหมหมดที่คืดหาคำตอบ เขาไม่มีควารู้สึกอยู่แล้วพ่อถามมักตอบพวกมันนะเพราะความรู้สึกมันมีอยู่แล้วมันเห็นอยู่แล้วดังนั้นให้ยาดให้กลัวต่อสมมุดเพราะมันเปลี่ยนแปลงตามใจลักตลอดเวลาแต่กลับมาอยู่ปรมาท์คือลูกน้ำมันเป็นปรมาท์ตัวคืดตัวนึกตัวปุ่งตัวแต่งมันเป็นสมุติมันเปลี่ยนแปลงไปตามกุญแจลักแต่ว่าลูกน้ามันเป็นปรมตท์มันบ่เปลี่ยนแปลงมันเกิดมาแล้วเวลาตายไปก็ตายแต่ลูกมันี่น้าก็บม่ได้ตาย ถ้ามันมืดมดกิเลสแล้วมันก็ไปเป็นภาวะของพลังงานของโลกของเจักรวาดไปถ้ามันบ่ท่า ม, มดกิเลสมันก็ไปก่อรูปตัวไม่อีกไปกอ่อกรรมตัวไม่อีกไปเกิดเวียนว่ายแต่เกิดอีกถ้ามันมีเสื้อของตันหายอยู่นะอยู่แค่นี้โลกอ่ะนะด้านอันเวลาเข้ามาปฏิบัติแล้วให้ทำจิต ท, ทำใจให้ร่วมเข้ามาในาปัจจุบันเบนว่าอย่าไป ให้จิตมันพุ่งไปในอดีตอนาคตให้ร่วมมาปัจจุบันถ้าเหลือปัจจุบันแล้วมันก็นเหลือแค่สองคือหลุม ก, กับน้ำกายกับใจสมมุดด้วยปร ะ, ะมาทเท่านั้นแล้วลึกเข้าไปก็คือเป็นเกิดเป็นดับเป็นเข้าเป็นออกมันขนยักขึน้นไปขยักขึ้นไปตามลำรับของกายเวทนาทีรร่ทำนะนั่นน่ะมุนีหลวงพ่อบอกมาว่านมุนีขอซักซ่อมเรื่องหลุมน้ำอีกมือนึง ธรรมุนีย่ำแรงถ้าสอบว่าล้มเหล่าพานโอเคมือเตอไปเขว่ากันเรื่องของส ม, มุตดเรื่องของประมติเนาะเข้าใจเนาะเอาใจเข้าใจก็พ่อแค่นี้เดี๋ยวมันจะหลายไปกุนี้มันจะบ่กเข้าใจเนาะฮ่าบุญญาทรัพย์สุนเอาขอให้เฮาทั้งหลายได้มีความตั้งใจใส่ศรัทธานอมตนนอมโตเข้ามาหาพระรัตนตรัยแล้ว ให้มันได้หูแจงตาใสก็เก่ามันสวัสดสว่างสวยก็เก่าอย่าไปถูกหลอกอยู่วุ่นวายเศร้าถูกเจ้าของหลอกถูกผัวหลอกถูกเมียหลอกถูกพระหลอกถูกยมหลอกมันบุตีทั้งนั้นไอ้ของหลอกนี่นะเฮาแต่บอสฉลาดขึ้นเขาจะถูกหลอกเลยไปหลอกในสารภาพความดีก็หลอกแบบดีความซัวก็หลอกแบบซัวคอยเฮาจิตใจได้สูงทรงขึ้นอย่าให้กิเลมมันหลอกให้จิตใจเป็นอิสระภาพ จากกิเลส ด, ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินอเอเอจึงสั่นหรือมันจึงคืนนะ